กลุมโดยด ย, ยังเธออายุตั้ง82แถมเป็นพระดังยังอุตสาหมีข่าวงามหน้าโดนข่มขู่เรียกเอาเงินแลกกับซีดีเฉาอันเป็นบันทึกปลดสูที่ฟ้องจัดจ่ะว่าเคยมีสัมพันธ์ทางเพศกับศีกาคราวหลานคากุติ ข่าวบังข่าวนั้นนอกจากจะไม่ช่วยให้เรารู้อะไรดีขึ้นแล้วยังอาจทำให้เราคิดอะไรแย่ลงก็ได้หรือเชื่ออะไรผิดจากความจริงก็ได้ในมุมมองของคนทำข่าวเรื่องพระชฉาที่เกิดขึ้นนี้คือความจริงแต่ก็อาจลืมนึกไปว่าเรื่องจริงที่มาปรากฏบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์นั้นถูกขยายขึ้นเป็นล้านเท่าตามจานวนคนอ่านตามจานวนคนรับรู้ และตามจํานวนคนนั่งเมาส์กันอย่างออกรถทั่วประเทศต่อให้ยังมีพระดีอยู่อีกนับหมื่นนับแสนรูปก็คงแพ้ข่าวซึ่งถูกขยายขึ้นเป็นล้านเท่าของสมีตนเดียวอยู่ดีเพราะในการรับรู้ของคนอ่านทั้งประเทศนั้นก็คือขนาดพระที่ทั้งแก่ทั้งดังยังทำขนาดนี้แล้วพระหนุ่มเนียนน้อยทั่วไปจะไม่ยิ่งหนักกว่าหลายเท่าหรอกหรือ ความจริงก็คือเขาไม่ใช่พระแล้วเป็นสามีแล้วแต่เมื่อเนื้อข่าวลงคำว่าพระแถมยังเอาภาพตอนครองจีวรมายิงใส่ตาคนอ่านการรับรู้ของคนอ่านก็ไม่มีทางเป็นอื่นคือพระทำเรื่องงามหน้าอีกแล้วอันที่จริงคนเราไม่ได้ชอบบริโภคแต่ข่าวร้ายหรอกครับชาวบ้านร้านตลาดชอบข่าวที่ถึงใจต่างหาก ถ้าเอามาเมาส์กันได้สนุกถ้าเป็นของหน้าทึ่งต่อให้เป็นข่าวดีก็ดังได้อย่างเช่นเก็บเงินได้เป็นล้านแต่เอาขึ้นโรงพักประกาศหาเจ้าของหรือช่วยเด็กออกจากกองเพลิงจนตัวเองได้รับบาดเจ็บสาหัสเหล่านี้ล้วนเป็นข่าวดีที่ขายออกทั้งสิน้นแต่ความจริงก็คือข่าวดีที่มันมันนั้นหายากกว่าข่าวร้ายที่เมาส์เพลิน เมื่อโลกมนุษย์มาถึงยุคที่คนเราเห็นข่าวเด่นพร้อมกันได้ทั้งประเทศทุกเช้าเย็นก็ไม่น่าแปลกถ้าต้องเจอเครื่องฉุดใจให้ตกต่ำลงไม่เว้นเช้าวเว้นเย็นเป็นส่วนใหญ่นอกจากข่าวดีที่ถึงใจจะหายากแล้วนักข่าวเองก็เจอใบสั่งให้หาข่าวร้ายที่สะใจมาลงมากๆเรียกว่าต้องแข่งกับเพื่อนนักข่าวด้วยกันเอาใจท่านบรรณาธิการใหญ่เป็นกิจวัตรทีเดียวฉะนั้น ผู้บริโภคข่าวอย่างเราๆท่านๆคงต้องดูแลใจตัวเองครับขอให้สื่อข่าวช่วยดูแลไม่ได้วิธีก็คือมองให้เห็นว่าในข่าวร้ายมีเรื่องให้เรียนรู้มีเหตุผลให้ทําความเข้าใจด้วยความเป็นกลางเช่นกรณีสามีในข่าวนี้บอกเราว่า 1. ไวัยไไม่ใช่อุปสรรคทางเพศแต่อย่างใดแก่แค่ไหนก็เกิดข่าวทางเพศได้เสมอ อย่าพากันแปลกใจให้นักข่าวจับเป็นจุดขายในอเมริกานั้นดอกเตอร์สเตซี่ลินดอลได้นำทีมวิจัยสำรวจทั้งหญิงและชายอายุระหว่าง75ถึง85พ้นปรากฏว่ายังมีกิจกรรมทางเพศกันถึง26เซคือเกินกว่าหนึ่งในสีนะครับที่ยังจู๋จีกันไม่ใช่เรื่องต้องเบิกตาโตประหลาดใจสุดขีดแต่อย่างใด 2. ง ถ้ากิจวัตรประจําวันของนักบวชรายไหนคือปลุกเสกเครื่องรางเรียกเงินโยมเข้ากระเป๋าก็อย่าไปฝากความหวังว่าเขาจะมีแก่ใจรักษาพระวินัยเพราะคนที่รับใช้ความโลภเป็นหลักย่อมถูกราคะครอบงำแล้วขึ้นชื่อว่าราคะนั้นมันสั่งให้ทำเรื่องบัตรสีแค่ไหนก็ได้ทำตอนอายุปูนไหนก็ได้ 3. เรื่องงามหน้าของพระไม่ใช่เพิ่งมามีแม้ในสมัยพุทธกาลก็เยอะอย่างเช่นมีกฎอยู่ข้อหนึ่งห้ามภิกษุอยู่ในที่รับหูรับตากับมาตุคามตามลำพังโดยไม่เว้นว่าเป็นญาใกล้ชิดสาโลหิตหรือไม่และตัวต้นเหตุของการบัญญัติพระวินัยข้อนี้ก็คือภิกษุร่วมประเวณีกับภิกษุณีโดยที่ฝ่ายภิกษุเป็นบุตรและฝ่ายภิกษุณีเป็นมารดา สรุปคือโลกด้านมืดมีมานานยังมีอยู่และจะมีต่อไปแต่ใจเราไม่จำเป็นต้องมืดตามตราบเท่าที่เรายือนอยู่ในเขตสว่างมองความมืดด้วยความเห็นเหตุเห็นผลและเห็นโทษอันน่าสะพรึงกลัวของมันชัดพอ